การฟังเพื่อให้จดจำได้ไม่ใช่ฟังแล้วจะทิ้งไว้ที่ตรงนี้มันไม่ได้ผลถ้าเราฟังแล้วจดจำนำเอาไปปฏิบัติมันจึงจะได้ผลในขณะนี้ห้าโมงสี่สิบห้านาที หโมงห้ามงแรงนะหะโมงเย็นเนะี่ยปีสิบห้านาทีวันนี้เป็นวันคิดคือยี่สิบเ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าพวกเราเพื่อนภิกษุสมเนรและญาติโยมได้มีการเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดโมกขวนาราม ที่ขอนแก่นวัดโมกขะวนารามที่ขอนแก่นนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีทุกปีวันนี้ก็ทำกันเช่นเคยอาจจะมาได้มาพบกับพวกท่านพวกคุณแล้วก็จะพูดเรื่องธรรมะที่โตได้ประพฤติปฏิบัติ ตา ม, มาแล้วกัเพื่อนพิกษุสมณเณรและญาติโยมขอจ้องประพฤติปฏิบัติตามก็ควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจเช่นเดียวกันวันนี้จึงจะเป็นการแสดงธรรมที่ตัวได้ประสบการณ์มาญาติโยมและเพื่อนพิกษุสมณเณรทุกคนเคยให้ทานการทานนี่หรือการให้ การให้ทานวัตถุสิ่งของนั้นทุกคนทำได้แต่การทานอย่างที่ควมโลภโกรธหลงเนี่ยทานไม่ค่อยได้คือการทานรต่ยากดังนั้นจึงจเจริญวิปัสนาเพื่อให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงบงนันไดการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันการรักษาศีลห้า ศิลแปดศิลสิบศสองร้อยสเจ็ด น, นั้นเรารักษาด้วยกายเป็นสิ่งที่รักษาภายนอกอันนั้นก็ถือว่าดีแล้วเป็นประเพณีและขนบธรรมเนียมของคนไทยและเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นขนบธรรมเนียมของญาติโยมผู้ที่ สแสวงหาธรรมะคือทางพ้นทุกนั่นเองต่อจากนั้นเราก็มาทมกรรมฐานบางคนก็ทำพุทโธบางคนก็ทำสัมมาอลระหังนับหนึ่งสองสามหรือพองยุบอาณาปานาสติอันนั้นคงจะมีได้ทำกันมาแล้วไม่มากก่อ น, น้อยบางคนอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ ดังนั้นกรรมฐานกับวิปัสนาเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันและก็ไปด้วยกันไม่ได้ทําไมจึงไปด้วยกันไม่ได้เพราะกรรมฐานนั้นเป็นวิธีนั่งหลับตาไปกับมืนตาไม่ได้บ้านหลวงพ่เรียกมืนตากับหลับตาถ้าหลับตาแล้วเดินทางไม่ได้ที่หลวงพ่อเคยทํามาวิธีพูทโธก็ตาม สัมมา阿拉หังก็ตามนับหนึ่งสองสามก็ตามหองยุค ก, ก็ตามดูลมหายใจเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นก็ตามดูลมหายใจลมยาบลมละเอียดก็ตามอันนั้นเป็นวิธีที่หลับตาแล้วก็นั่งใช้เวลานา น, านๆเจ็บแข้งเจ็บขาบ้านหลงเพราะว่าเจ็บแอวนะเจ็บหลังเจ็บแอว ทางนี้อาจจะว่าเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็ต้องทนทรมานเอาเพื่อเราอยากสงบแล้วมันก็ดีได้เพราะอาตมาเคยทาอย่างนั้นมันก็สงบได้แต่สงบแบบไม่สงบฟังให้เป็นสงบแบบไม่สงบมีความหมายอย่างไรเราต้องฟังให้เป็นมันสงบในสมัยอยู่คนเดียว เข้าสังคมและสงบไม่ได้อาตมาทำไปอย่างนั้นแล้วก็มันขัดกับคําพูดคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมาขัดที่ตรงไหนฟังกันให้ดีจดจําให้ได้ตัวของอาตมาเองเคยเรียนกับครูบาอาจารย์เคยสอนให้มาว่าทําเราได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิไนัย ไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติท่านสอนไว้เลยแต่ตัวหลวงพ่อเองนั่งเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บเอวนะก็ทนเอาอันนี้แสดงว่าเบียดเบียนตนเองแต่ไม่รู้อันนี้ก็แสดงว่ามันขัดนโยบายทีว่ว่าวิปัสสนากรรมฐานและสมาากถกรรมฐานนั้นไปด้วยกัดไม่ได้ พูดให้มันแรงๆสักนิดเดียวนะวันนี้แต่ว่าไม่แรงถ้าคนสนใจจริงๆน่ยไม่แรงทำอย่างนั้นมาเป็นเวลานานแต่และวก็ทนว่าเราเข้าสารได้สงบได้ทําให้ตัวแข็งได้เนี่ยอันนั้นมันก็ดีแต่ว่ามันผิดและบันนี้มาพูดกันอีกตติมคําหนึ่งว่าทําเราได้เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและ ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติตามวันนี้เราไม่เข้าใจว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อห่วมเบียดเบียนตนเองหรือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เข้าใจหลวงพ่อไปอย่างนั้นต่อมาเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี่แหละก็เลยเข้าใจอ่า ที่เราทามานั้นมันดีแหละดีแบบไม่รู้ดังนั้นคนเข้าไปในถ้ำเราจะมีไฟจุดเทียนนักกว่าตามเคยพูดให้ฟังว่าเราจุดเทียนไฟมันสว่างขึ้นมาแต่ความมืดมันไม่หนีมันอยู่ที่เหล่านี้เองเอาไฟมาข้างหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างซ้ายมืดมันไปข้าง ข, างขวา เอาไฟไปข้างขวามืดมันมาข้างซ้ายมันหลบอยู่ที่ตัวเราเพราะเรายังอยู่ที่มืดนั่นเองเจ้ความสว่างในใจจึงไม่มีเมื่อไม่มีความสว่างในใจก็เรียกว่านักใจหนักอกหนักใ จ, กออกกใจแต่ไม่เคยรู้ว่าหนัก อ, อกหนักใจไม่เคยรู้เลยนั่นก็นอย่างไดังนั้นจึงว่าพวกเราเป็นผู้แสวงหาคุณธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องประพฤติปฏิบัติตนของตนให้เป็นที่พึงได้ทันวัอย่าง น, นัเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็อยากพูดไปให้มันฟังได้และเข้าใจได้เพราะว่านานนานเราจึงจะได้มามาพบกันเมื่อมาพบกันแล้วก็ต้องพูดควมรินสู่กันฟังเจ้าทายศิทถักุ ม, มารพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย วดเข้าไปแล้วก็ไปศึกษากับอาลาดาบทอุทกาดาบทสองอาจารย์นี้ตอนเ้าจะก็ถามโยมที่ไปทำสังฆทานโยมก็ตอบมาว่าไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีบางคนก็บอกว่าไม่รู้อย่างนีเป็นธรรมดาอาจารย์คนแรกสอนให้ได้สมาบัติเเรียกว่ารูปสารสีอปรู ป, ปรสารสาม เข้าสารออกสารหล่องแค่งวงไหวได้เหมือนกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแ ง, ง่ทุกมุมอันนั้นก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นคนาํนาคสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้ไม่ตกใจนะพวกเราฟังไปให้เป็นเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันมีมาก่อนเป็นคําสอนของพราหมณ์เป็นละที่ของพราหมณ์ไม่ใด่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังทํา ตัวของอาตมาเองก็ทำเช่นนั้นก็อยากดีอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากเหาะเขินเดินลวงได้อยากดําดินบินบนได้อยากหายหตัวได้คิดอย่างนั้นตัวอาตมาก็เช่นเดียวกันแต่เพื่อนๆอาจจะไม่คิดอย่างตัวของผมหรือญาติโยมอาจจะไม่คิดอย่างที่ตัวอาตมาเคยคิดก็ได้จากนั้นก็ลาจากอาจารย์มาศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์คนที่สอง ซือทักษะดาบทอาจารย์อาจารย์คนนี้สอนให้ได้สมาบัติต็ดูปซานสี่ลูประซานสี่เรียกว่าสมาบัติตดเข้าซานออกซานหล่องแค่ว่องไวได้เหมือนกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแสดงว่าไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นลทัทธิของผา เป็นศาสนาภาหหรือเป็นของใครก็ไม่รู้หรือจะพูดว่าเป็นของฤาษีดาวบทสมัยครั้งก่อนนั้นก็ได้จะว่ายังไงก็ได้จากนั้นมาก็ลาอาจารย์พวกปัญจาขีทั้งห้าก็ติดตามมา ก็มาทำทกะกริยาเรียกเราเรียกว่าอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวไม่กินน้ำอดหูอดจมูกอดทุกแง่ทุกมุมเลยธรรมดาคนไม่กินข้าวไม่กินน้ำเนี่ยบ้านหลวงพ่อว่าข้าวแต่ทางภาคกลางนี่ว่าข้าวท่านหลวงพ่อพูดไม่เป็นเพราะหลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสืออ่านหนังสือไทยไม่เป็นเขียนไม่เป็นอ่านไม่ได้ เป็นอย่างนั้นคือว่าพูดภาษากลางคือไม่เป็นคําหน้าท้องซอดหลังท้องซอสสันหลังคําทางสันหลังซอดหน้าท้องจ้อยผอมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทุกคนรู้เนี่ยเรียนมาแล้วนะทำตีทำโทรทำเอกเป็นมหาปรเรียนก็มีท้าไหว้พระเจ้าพระสงฆ์ หรือเรียนปริยาตรีปริยาโทรปริยาเอกก็มีแล้วมาบวชก็ได้เป็นขราชการลาบวชก็มีญาติโยมก็เช่นเดียวกันบางคนบวชมาแล้วศึกไปก็มีศึกแล้วกลับมาบวชอย่างที่หลวงพ่อนี่ก็เป็นหลวงพ่อบวชแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองถ้าทับนับทั้งเป็นเนรเท่าก็เรียกว่าบวชสามครั้งแล้วเป็นเนรครั้งหนึ่งเป็นพระเจ้าหัว่มครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นหลวงตา อันนั้นกนยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามากกินมากขับป้อมบ้านหลวงพ เ, เดลมาขับป้อมหลอกสมองทางนี้อาจจะว่าผลลไม้ว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเป็นเพาะหรือ ว, ว่าผลละไม้เมื่อสั่นผนลลไม้แล้วพวกบรรดาวชีทั้งห้าเห็นว่าพระองค์เนี่ยยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดอกเจ้าสายชิทถะถามมาเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะเลิกละข่มเทียนเวียนมามากๆแล้วไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าพราะนาก็หนีไปพระองค์ก็เดินไปคนเดียวเมื่อเดินไปคนเดียวก็กินผลลไมไปแล้วกลับไปพบเอานางสุสดานางสุสดาเอาเข้าวมาบวงสวงเทวดาแล้วพระองค์ก็เลยไปเห็นข้าวอานางก็ถามนางสุสดานางสุสดาก็ถวายข้าวนั้นให้ ถวายทั้งหมดอันที่ทํามาแล้วนั่นน่ะไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ทิฏฐิจึงแปลว่าผมเห็นเมื่อเห็นผิดก็เรียกวเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเห็นถูกก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่ใครรู้ว่าใครเป็นสัมมาทิฏฐิใครรู้ว่าใครเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดให้กันไม่ได้เรื่องนี้จึงว่าอาศัยการปฏิบัติทิฏฐิของเราเองเมื่อบวชครั้งนั้นนะเป็นพระ เจ้าหัวรุ่มหกเดือนอุปชาที่สอนให้คือพระภูวิศิทธรรมอาจารย์เป็นเจ้าคณะอำเภอเสียงคานท่านก็สอนบอาว่าในประเทศอินเดียนะ่ะท่านสอนมีร0อยแปดศาสนาร้อยแปดลทัทธิร0อยแปดอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นร0อยแปดศาสนา1้อยแปดลทัทธิร้อยแปดอาจารย์นั้นอาจจะเป็นร0อยเก้ากับพระพุทธเจ้าก็ได้จานวนร้อยแปดคนนั้น อยาะเห็นพระพุทธเจ้าถูกต้องไม่คงจะไม่เป็นคงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นมิจาคิ ธ, ธิพระพุทธเจ้าของเราก็คงจะคิดว่าพวกอาจารย์ร้อยแปดซึ่ปฏิบัติ ต, ตามกันไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็เอาไว้ที่ตอนเราพูดว่าสันข้าวเสี้ยงทาตเสี้ยงขันไม่ต้องพูดเลย เอารัดกันเพียงสั้นๆเพื่อจับใจขูมให้ได้เพราะเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนเรื่องเหล่านั้นบัดนี้พระองค์ได้บําเพ็ญตนเรียกว่าบเพ็ญทางจิตได้ตัดสรู้เป็นพระละหันภากิเลศตายคายกิเลศ ด, ดุดับทุกได้จริงอย่างสนิทพ อ, อย่างนั้นเรียกว่าทุกนั้นไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะว่าจิตพระองค์นั้นหลุดพ้นแล้วจากสภาพ อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเราเคยทัวกันอย่างนั้นบัด น, นี้เมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเดินทางมานึกว่าจะไปโทษอาจารย์ว่าจะไปโทษปัญจวคีนึกถึงอาจารย์เพราะว่าตายแล้วดับจิตไปแล้วเห็นพวกปัญจวคีนี่แหละว่างคงจะมักธรรมะด้วยกันเพราะสมัยนั้นอยู่ด้วยกันหกคนและอุปถามบำรุงเรามา คิดถึงบุญคุณอ น, นันต์ก็เลยตามเดินทางมากับมีนักบวชคนหนึ่งก็จะพานาให้ฟังนักบวชคนนั่นก็เป็นผู้สแสวงหาธรรมะสแสวงหาคําสอนของพระพุทธเจ้าสแสวงหาพระพุทธเจ้าสแสวงหาทางพระนิพพานนั่นแหละทางดับทุกข์นั่นแหลมเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็น่าเรื่มใส่น้าเคารพน่านับถือว่าอย่างเปิถามพระพุทธเจ้า ท่านดูที่ไหนมาจากสายถามกัเป็นธรรมดาย่างแถวผัด พ, พบกันทางนี่แหละว่าคุณไปใส่มากัจจาวนเนี่ยไปจากนั้นอันนี้มาที่ไปสั่งใดมาจากไต น, น, นกัจิถาปัญญาเียแล้วถา ม, ถามพระองค์ว่าท่านเป็นลูกติดของใครอยู่สำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราไม่เป็นลูกติดของใครไม่ดูสำนัก ไม่ได้อยู่ยสำนักไหนเราตักสรุ้เองโดยชอบบัด น, นี้ทามคนนั้นก็ว่าแลบลีดหันหลังให้เลยไปไม่ได้ฟังคำมะคําสอนของพระเจ้าเลยเลยไม่รู้ธรรมะคําสอนของพระเจ้าอันนี้ก็แสดงว่าธรรมะนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อสําหรับคนมีปัญญาจึงจะมองเห็นได้เขาเรียกว่ า, าตาทิพย์ ตาทิพตาทิพไม่ใช่ตาอานิตาปัญญาดังนั้นหนังสือกาลามสูตรบอกไว้ว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทํำตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นมีอยู่ในตาํารากัมภีอะไรสิ่งพ่ออยากรู้ แน่นอนก็ต้องไปดูเอาหนังสือที่กลธมะสูตรที่ท่านผู้รู้เขียนไว้หลายที่หลายดักหลายทางอันนี้ก็แสดงว่าอุปการศิวคุณนั้นไม่เชื่อก็ปฏิเสธไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่เชื่อก็เป็นทางสุดโตง่งเลยไม่มีภาควิจารณ์ไม่พิจารณาเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติที่ว่าอย่างไรก็ได้ทาง หนังสือกว่าทางสุดโตงอะไรหลวงพ่อไม่เคยรู้อย่างนั้นเพราะมันเป็นตัวหนังสือเป็นตำรับตาราหลวงพ่อไม่เคยเรียนบัดนี้บางคนเสื้อหัวฝังเข้าไปเลยไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันเป็นโทษขงสองอย่างเสื้อเลยทันทีก็ไม่ได้ไม่เสื้อก็ไม่ได้เปียดังนั้นพระองค์นั้นจึงสอนให้เราทุกคนทดลองปฏิบัติ เมื่อเราทดลองปฏิบัติแล้วเราจะได้พบกับความจริงที่มีอยู่ในตัวเหล่านี้เองดังนั้นที่พวกเรามาปฏิบัติรรมเรียกมาเจริญนิพพานหรือเจริญสติหรือเจริญอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติจะว่ายังไงก็ได้ว่าสติประธานสีก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมตุติดังนั้นการเสื้อทันขีก็ไม่ได้ ไม่เชื่อก็ไม่ได้เราจะเอาเท่ตรงไหนเป็นสมัมมาทิฏฐิอย่างที่พูดแล้วให้ฟังเมื่อกี้นี่ว่าในประเทศอินเดียลอยแปดอาจาลอยแปดศาสนาแล้วไม่เห็นด้วยกันจึงปฏิบัติธรรมะไปด้วยกันไม่ได้เมื่อเห็นธรรมะด้วยกันจึงปฏิบัติด้วยกันไปได้ผมเห็นจึงเหมือนกันเมื่อรู้ธรรมะก็รู้เหมือนกันถ้ารู้ผิดกันไปแล้วก็ไม่ตรง กับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะแท้จึงคือสิ่งเดียวกันเท่านั้นเองถ้าองค์ท่านสอนเอาไว้หลายแง่หลายมุมแต่เมื่อยังไม่รู้ก็เป็นธรรมดาท่านว่าอย่างนั้นทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันกับพวกเรานี่เองต้องให้ทานต้องรักษาจินต้องทำกรรมฐานเพื่อความสงบเราก็เข้าใจให้ถูกต้อง แต่เมื่อยังไม่รู้ก็ต้องทําไปสัตวทั้งหลายคือเราแต่ทาคสสัตวทั้งหลายเหมือนเรากัทาคสอดข้าวอดน้ํานั่งเจนปวดแข็งปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอวไปทุกคนคงจะพบไม่มากขอ น, น่อยอันนี้แสดงว่าทําเหล่าใดเป็นไปผู้รวมเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติพันวาจาแต่เราก็ยังทําก็ ท, ทําเพราะไม่รู้นั่นเองอาตมาพูดโดยที่ว่าพุทธคุณจิตใจทํามาอย่างนั้นแหละบันนี้ทําเราได้เป็นไปทุกข์ว่าไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติ เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงกันไวเมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้เราก็มาพูดตามความจริงที่พระองค์ตัดเอาไว้นั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเราพู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ บัดนี้เราไม่ต้องทำตามอย่างนั้นเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเลยไม่ได้ไปพิจารณาเลยเป็นอย่างนั้นตัวของผมเองตัวของอาตมาเองเป็นอย่างนั้นไม่ได้พิจารณาเลยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องทอําทอย่างนั้นทําอย่างนี้นจึงไปทรมานตัวเองขนาดนั้นไม่กินข้าวก็ทํานั่งเจ็บแข้งเจ็บขาก็ทนเอานี่อันนี้แหละประวัติสัตว์ทั้งหลายคือเราสถาคตไม่รู้ต้องทํา สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันที่ยังไม่รู้ต่อเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็เลิศท่านจังหวัดสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราต ถ, ถาคตนี่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีจะเข้าใจอย่างเราต ถ, ถาคตนี้ดังนั้นธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้านั้นจึงมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกคนพบแล้วก็ น, นำมาสอนคนอินเดียคนอินเดียนั้นไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกคนเลยจึงมีการต่อต้านกันเมืองไทยล้วก็เช่นเดียวกันมีการต่อต้านกันอันนั้นผิดอันนี้ถูกแต่ใครเป็นสมาธิิไม่รู้เรียองนี้ดังนั้นจึงว่ามันยากคันว่ายากก็ยากที่สุด ขันวัญญาเพืนให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพอขันวัญญากป็ยากที่สุดคันว่าง่ายจนว่าพิษต่างที่ก่อหูหลดเมื่อเมื่อก่อนนั่นแหละเมื่อวันที่วันที่ยี่สิบนั่นแหละมีฝรั่งอเมริกาคนหนึ่งเขามาสอดเรื่องศาสนาของงา น, นของพวกอัน อย่างในของคิดเนี่ยหลวงพ่อบุ้หุจักศา ส, สนาคิดเนี่ยยุ่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเขาได้ยินหนังสือพวกให้เขาเขียนเนี่ยและอ่านหนังสือจันทิวัดรเอาไปสู้ขาเจ้าอ่าศ์เกลืเกิ ด, ก ด, กดมีความสนใจมาถามนลวงพอศา ส, สนาคิดสอน อ, ดนอย่างนั้นจันทขาเจ้าลูกขาเจ้าเรียนมากๆกับเด็กปฎิยาและพวก แล้วศาสนาพุทธสอนอย่างนั้นอางกันศาสนาพราหมศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามหลายศาสนาศาสนาเต๋าศาสนาอะไเขจาวาผมชื่อของจี้ขเจ้าเวากันหลพอบูฮุจักคือกันไหมวะอาจาร้าคือกันหลวงพบอกว่าคือกันพระพุทธเจ้าสอนให้คนไม่ทุกพระนิสสุกสอนให้คนไม่ทุกทุกศาสนาสอนให้คนไม่ทุก เขาว่าทําไม่ได้เขาว่านอกจากพระเยซูแล้วทําไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเสือ่อเสื่อมากเกินไปเลยบ่ได้พิสูจน์ตัวเองเนี่ยคนถือาศาสนาพุกกอบภายคลายกันบว่ า, วามรผลน่ผ่านทําไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยจําเป็นต้องทําบุญให้ฐานหลักาสาชินบําเพ็ญเพียรสร้างสมอบรมมาตั้งหลายเส้นหลายสาหลายกลยกับหลายกันจึงจะได้ เหมือนกับพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจอย่างนั้นตัวอาตมาเข้าใจอย่างนั้นตัวของผมเข้าใจอย่างนั้นจริงจรเมื่อมาทําให้ฝรั่งคนนั้นเอาคุณหลับตาลองดูดีกว่าเราก็หลับตาแต่เราใส่แว่นตาหลับตาคือหลับนานเป็บประมาณจัดสามสี่ห้านาทีเนี่ยคุณพกระ บ, บอกให้หลับหลับตาเพราะเราเคยเคยทำกรรมฐานแบบนั้นบัดนี้กระมืนตาได้แล้ววะ่ะ มือลองดูสิครับเขาขมืนขึ้นเมื่อหลับตานั้นสว่างไหมล่ะไม่เห็นมือเ่เมื่อตาที่สว่างแม้แต่สว่างอันนี้ก็คือการคันวาาัญญาบันยายนันย์ง่ายําสอนของพระเจ้าคลิปตาเดียวเท่านั้นเองถ้าเราฟังเป็นและเราเข้าใจหลับตาจะเดี๋ ย, ยมือตาที่ก็สว่างทันทีเลยเนี่ยพูดอย่างนี้ก็จะหาวอีง่ายเกินไปคนเราเนี่ยคันสอนง่ายๆไม่อยากเอาเลย ต้องทำยากๆเลยโอ้ยากจริงๆคนว่ายากจริงๆบอกให้ทำทำบ่ได้อีกถึงหนึเนี่ยมันเป็นอย่างสันจจาวาลง่ายเกินไปก็มาอยากเอายากเกินไปก็มาอยากเอาได้ะจะเอาบ่าไดเข้าไปปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงคืออย่างพระพุทธเจ้าท่านตักเอาไว้นั้นวันนี้จึงจะได้เล่ามาเป็นเรื่องราวยืดย า, าวข่าวไกลมาพอสมควรบัดนี้ก็มาวกเข้าวิธีปฏิบัติ เรือหันเข้ามาแนวปฏิบัติอายุ46ปีมาทำวิธีการเคลื่อนไหวนี่แหละมันเจ็บแข้งเจ็บขาต้องพลิกต้องปิ้นมันเจ็บหลังเจ็บเอวต้องยืนต้องงานเปลี่ยนอิระยะิยาบเอังสังโบหทรมานตัวเองทำไปทำมาก็เลยเกิดมีควมเข้าใจเกิดควมรู้ขึ้นแปลกๆภายในจิตใจตัวเอง เข้าใจของจริงเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้สต่ด้วยเนะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้เนี่วิธีเข้าใจก็เรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนารู้ขันห้าขันห้าได้การลูบเวทนาสัญญาสังขารงอ่าน ต, ตัวหนังสืออันนี้แต่ความจริงตัวอาตมาหรือตัวของผ ม, ผมรู้นั้นรู้ลูบรู้หนา รูปลู่ลลน้ำนี่แหละรูปได้แก่ร่างกายน้ำได้แก่จิตใจรูปที่มันเคลื่อนไหวมีรูป ก, กับนามรู้อันนี้จะมีแต่รูปอันเดียวกับเมื่อกับคนตายคนตายแล้วไม่รู้สึดตัวเคลื่อนไหวไม่ได้น้ำกับรูปมันอาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้เมือเ่อแยกจากกันเมื่อได้กิแสดงว่ามึดลมหายใจเรียกว่าตายดังนั้นคนมาจึงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้แต่ก่อนก็บอกผมงอกปันหักเนื้อหนังแห้งแห่ลไปนั่นนเป็นทุกขังอนิจจ์อนัตตาเข้าใจอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารสอนอย่างนั้นเมื่อมารู้อันนี้รู้ลูกธรรมนามธรรมลูกโลกนามโลกลูกโลกนามโลกนี่มีสองอย่างโลกทางเนื้อหนังโลกทางจิตใจพูดมาหลายครั้งแล้วพูดสั้นๆวันนี้ยเพราะว่า เวลาของพวกเราฟังพอจะใช้เวลานานไปก็ไม่ค่อยดีพูดแบบจับหัอใจควบได้สั้นจับใจควบได้สั้นๆเมื่อรู้รูปโลกนามโลกแล้วก็รู้ทุกขังอันนี้จังนัตตาเลยรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เลยที่ผมรู้หรืออาจจะมารู้ทึงว่าใครจะมาสักส่วนไปทางใดก็ไม่ไปแล้วบันเทเพราะว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้คนจะนั่งนิ่งน่งไม่ได้ มันต้องมีการเคลื่อนไหวมีพิบตาเลือดใต้แลงหัวมีหายใจมีเคลื่อนมีไหวอยู่อย่างตลอดเวลาก็เลยมารู้จเจ้าการเคลื่อนไหวนะ่ะเป็นตัวทุกตัวคนมันเป็นก้อนทุกเนี่ย เ, เจะศึกษาธรรมะจริงศึกษากับธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปศึกษากับต้นไม้ไม่ได้ไปศึกษากับพืนดินไม่ได้ไปศึกษากับพองฟ้าธรรมชาติคือตัวเราดาราี่เองศึกษาตัวเรานี่แหละตัวธรรมชาต ธรรมชาติการเกิดจากท้องแม่มันเป็ศาสตรของมันเรียกว่าธรรมะธรรมชาติอย่างนี้มันเป็นธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมดาเข้าใจไปอย่างนั้นดูเมื่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็เอาและเรื่องของคนนั้นไม่ใช่เรื่องของเราฟังได้เข้าใจอย่างนี้เมื่อรู้ทุกครังอนิจจังอนัตตากะโรสมมุติขึ้นมาทันทีสมมุติมันเป็นเพียงสมมุติให้รู้จักว่าสมมุติ หน้ามือหลังมือนิ้วมือเนี่ยมันเป็นสมทุตอันเนี่ยรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็ออกจากนอกสวนอราไปวิภากวิจาร์ต้นไม้ปูเขาห้วยหนองคลองบึงเสื้อผ้าเครื่องไส่ไม้สอยเงินทองเราเนี่ยเป็นให้เป็นนาบ้านหลวงพดว่าให้นาทางนี้อาจจะวันวันไรว่านาวันหัวว่าสวนรั้วสวนอาจจะว่าบ้านหลวงพอดีว่าให้นาหัวสวนก็ได้ที่ทํากิน ต้องรู้อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสมสมุติสมมุติที่ ม, มากไม่สามารถที่จะเอามาพัฒ น, นาให้ฟังได้หยัดอัตทบัญญัติอริยบัญญัติเนี่ยเข้าใจอย่างไ น, นสมมุติบัญญัติเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาปรามาตเปียวของจริงจึงจะทิ้งสมมุติไม่ได้อัตทบัญญัติรู้ไปอย่างนี้อัตทะแปลว่าลุ่มลึกยากบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องอัตทะ อัตถะเปรว่ายากคันท่พูดเดี๋ยวนี้เขาว่าอัตถะเปรียบมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจ่าไปจันนั่นทังสัมมาอาัธิพุนแหละเป็นอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่พูดไปพูดไปไม่ได้เพราะตัวไม่ได้เรียนก็จะพอพูดได้ถ้าพูดจริงๆเราพอพูดได้อันนี้มันเข้าใจอย่างนี้เมื่อรู้จักจางนี้ก็รู้จักศาสนาแต่ก่อนนั้นศาสนานึกว่ามีวัดมีพระพุทธรูป หรือลทิของตัวเองทิฏฐิของตัวเองเห็นอย่างนี้ <c oughs> จังหวัดทิฏฐิจึงแปลวผมเห็นถ้าเห็นผิดเรียกว่าเป็นเมตตาทิฐิถ้าเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฐิอันวัตเมื่อรู้จักศาสนาพุทธศาสนาเดี๋ยวศาสนาเป็ว่าคําตั้งสอนของพ่านผูรู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นํามาสอนสอนตาให้ดูหูให้ฟัง ตามองดูอะไรต่างๆให้ท่านก็มองอันนั้นเป็นต้นไม้อันนั้นเป็นพระพุทธรูปอันนั้นเป็นโบทเป็นวิหารทหานก็สอนเนี่ยสอนให้ดูจย่าวาตามีสําหรับดูหูมีสําหรับฟังดังแล้วนี้พระเดาจะโม่งนะนะมีสําหรับดมปากเรานี้สําหรับกินข้าวกายได้สําหรับนะงงงงนุงเสื้อนงผ้าสัมผัสหนาว้อนเด้อเย็นร้อนอมแข็งกันจะิตใจสําหรับนึกคิดเนี่ยท่านว่า ไม่ต้องปิดมันเลยต้องปล่อยไปตามธรรมชาติศึกษาตามธรรมชาติจ้ะศาสน า, า, า, าความจริงแล้วคือตัวคนเลยเขาย้าใจอย่างนี้เพราะสอนคนเนี่ยสอนให้ดูสอนให้ฟังอันนั้นจะเป็นศาสน า, ศาสมมุติศาสน า, าจึงแปลว่าคําสอนของท่านผูรู้ใครรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาสอนอันนี้ก็ไม่ต้องพุดมากถ้าขูดมากมันมากพุทธศาสนาคือตัวรู้พุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้และท่านเดินมามาพบอกับอุปการสิวกอุปการสิวกไม่รู้ธรมรมะจึงว่าไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจีงงจวาธรรมะนั้นไม่มีตัวไม่มีต น, นจับมาให้คนดูไม่ได้นี่พุทธะจึงแปลผู้รู้ใครรู้จะว่าใจรู้ก็ได้จะว่าวิญญาณรู้ก็ได้จีว่าสติปัญญาลูกก็ได้จะว่าอะไรลูกก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติพูดให้ฟังคือตัวรู้เราพลิ ก, ลกมือขึ้นเห็ยรู้ พวงหรู้ไม่ใช่รู้พิกมือนะที่มันรู้เข้าไปจริงๆเนี่ยอันนี้เลยวพุทธศาสนาพุธธาาพธทธะจิตแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บำบาลด้วยธรรมรู้ไปอยังนี้ที่ตัวของผมรู้ตัวจะมารู้อย่างนี้เมื่อรู้พุทธศาสนาดีแล้วก่อนรู้บากรู้บุญนี่เลยบาส น, นึกว่านารกใต้ดินเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นบุญนึกว่าสวรรค์อยู่สันฟ้าเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นพ่วงคิดอันนั้นน่ะ กับคมคิดอันนี้มันผิดกันเจียวมันตรงกันข้ามเหมือนขาวกับดําเมื่อกับสว่างหนักกับเบามันเป็นอย่างไรวันนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้บาปบุญบาปหรือไม่รู้นั่นเองแม้จะทําบุญให้ฐานรักษาศีลทํากรรมขานก็ตามถ้าหากว่าเรายัางหลับตาอยู่ไม่มีความสว่างก็ดังยังมีบาปอยู่นั่นเองเนี่ยเขาจะอย่างนี้เมื่อเรามือนตาเมื่อใดรูด้จักทิศทางไปดีแล้ว ไม่ทนหลักทนตอ่อไม่ลงพูลงคลองไม่ลงน้าลงต้มเรามืนตาไปแป่ว่าบุญของเราแล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมจะมีทางวัดไว้สมมติให้ฟังนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่ได้เรียนหนังสือจีว่าไม่รู้มากสมมุติเราว่าสัมมาทิถฐิเดินตรงกลางไวน้นะคัดออกไปข้างเบื้องนั้นก็ไม่ใช่ตรงกลางทางแล้ว มาข้างบนนี้ก็ไม่ตรงกลางทางเดินตรงกลางจริงๆ จ, งจึงจะรู้ได้แหตุว่าอย่างนั้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิเดินทางสายกล า, างว่าไม่ตรงไปข้างซ้ายไม่ตรงไปข้างขวาเดินไปตรงๆนี่แหละเหนว่าอย่างที่ว่าทําซื่อๆเฮ็ดซื่อๆโบไม่เฮ็ดหวังเพื่อลาเพื่อยนยศหวังเพื่อซื้อเพือ่อเสียงอันเฮ็ดคมรู้สึกตัวเนี่จะเปรียวอุปมาให้ฟังับนเนี่ยก็เลยมารูคุมคิดตัวเองมันคิดมาก็ให้รู้เท่งไป มันคิดมาคนรู้ทิ่งไปไม่ได้ไปกําหนดกฎเกณฑ์ของคิดให้มันยุ่กับความรูร้สึกนี่เองเมื่อยุ่กับความรู้สึกเนี่ยความรู้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้กล็ลดน้อยไปลดน้อยไปไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อความรูม้มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จําได้สันญญาสัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาความจํามาจากพอจากแมี่จากครูบาอาจารย์อันเราเกิดมาเนี่ยเคยถามหลายคนครับ เกิดมาเมื่อนั้นวันนี้ปีพอศเท่านั้นทนนี้เราไม่ได้รู้พ่อแม่เราให้ฟังเราไม่รู้เองวันนี้มีคนไปทำบุญวันเกิดทำบุญสังฆทานทำบุญวันเกิดทำบุญต่ออายุหลายอันจรวาตแล้วก็หลวงพ่อกระเทศให้ฟังน้อยๆเพราะว่าเวลามันน้อยนี่แหละบุญต้องทำทุกวันทำทุกวัน ทำบุญวันเกิดคือเราเกิดแล้วเกิดจากท้องแม่อันนั้นอย่างมืดดูเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจมืนตาเนี่ยสว่างในใจอันนี้ทำบุญวันเกิดจริงๆสมมุติให้ฟังอ้าวเราเราเราเร า, เราไปนลางกลางน้าก็ไดเ้เราโตนน้าก็ได้เราเราโดนน้าที่มันลึกๆเน่เราโตนตูมลงไปที่ทำธรรมดามันต้องจม พ่วมน้าน้ำพ่วมหัวหมดทีเดียวลงไปหอดึ้นดีนเราก็หลอนยันขึ้นดีขึ้นมาโพ่ขึ้นมาังซี่งละบางคนบททันได้เบิ้งทิศทางมันลอยน้ำหมดเป็นจมไปปิ้งตายไปเลยในบางคนนะ่ะสมมุติอย่างซีเพราะเราไม่เคยรู้หนังสือก็ต้องสมมติให้ฟังวันนี้บางคนโตนนั้นเอาไปจุมจ่มจมทับพืชดินเหมือนกันหลอนยันพืชดินก็พ่อขึ้นมาที่น้ามันแปรขึ้นหอดคอมองเห็นทางบนนั้นเป็นตะฟัง้ง มองเห็นทางนั้นไห่ะบไม่ตะฟังเนี่ยนี่คนนี้คนหนึงผู้ที่จะไปเป็นสมาธิิอันสมมุติเอาโอ้ตะฟังบางนั้นเนี่ยว่ายลอยไปบางคนโตนทุ้มลงไปน้าประเพียงคอนี่มโบท่วมหัวผู้เนี่ยโบท่วมหัวสองคนอะท่วมหัวแต่คูณนี่พูเข้ามาที่ก็เลยจมไปเลยบบได้แปลนขึ้นมาอีกคืกอคุณคุณเนี่ยผู้นี่พูดขึ้นมากันนา้าแปลนขอขึ้นมามองเห็นทิศทางลอยไปเลย ผู้ที่สามนี่ตนลงไปต้นมาสิน้ําเพียงขอมองเห็นตาฟังเลยแต่ว่ายางโบได้ต้องลอยอีกซึ่งลอยอยู่บัดนี้ผู้ที่สีนี่ตนตุ้งออกไปน้ำเพียงแอ่วันเนี้ยถ้าน้ําไหลแห้งนะเดินโบได้อีกซึ่มันต้องพัดไปก็ต้องลอยอีกซึ่ผู้นี้ก็ะด้นี่ผู้ที่ห้านี่ตนตุ้งออกไปน้ำเพียงหัวเขาเนี่น้ําที่ไหลไปในกระโจมโบเซ่พนเนี่ยต้องย่างไปได้สบายเป็นหย่างไร ปะเนี่ยย่างไปย่างไปผู้ที่หกกิวะหกคนก็นได้นะจิวาอายตนาหกก็ได้ผู้ที่หกนี่ก็โต้ลุ้นออกไปน้ํำพอเพียงตังตีนนี่แหละเพราะนั้นเลยย่างไปได้สบายนี่ย่างไปฮอดบ้านหนวงพ่อมีต้นมะเดื่อจับแขมจับฟางโผลนอดต้นมะเดื่อแล้วก็นั่งเสาหฮมเสาเย็นหมองเบื้งน้ำไม่โปกไหลใส่ต้นเดือมันมีใบมันหฮมันเย็นดีบ้านหนวงพอต้นมอกเดือเป็นอย่างะไน อันนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าหากมีความสงสัยว่าลังเลใจห ย, ยุดแสดงว่าเจ้าของอย่างโมเห็นกับฟังเถอะบุลูจากทิศทางเถอะไปไม่ถูกเลยที่วอาให้ฟังเนี่ยเป็นสมมุติเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือนั่น่ะบกคอยแน่ประด๋ให้ได้ว้าอย่างซีแล้วบอกว่าไม่พลาดเลยเพราะตัวเองได้ตีบไวอย่างนั้นจว่าให้ทาเหมือนแมกับหนู ทีแรกหนูตัวน้อยเออหนูตัวใหญ่แม่ตัวน้อยหนูออกมาแมวมันเมื่อเคยกลัวหนูจับหนูมันแล่นไปเลยแมวตัวน้อยมันก็ติดหนูไปเมื่อเริ่มกวางหนูเนี่ยอันคบคิดเราก็เหมือนกันที่เรายังไม่เคยเห็นคบคิดเดี๋ยพอเดี๋มันคิดปุ๊บเราเข้าไปในคมคิดเลยก็เลยไม่รู้จักหยุดเดี๋ยวฮุกเป็นว่าต้องกําหนดรู้สมูไทยต้องละมั่งต้องจเจริญเ น, นี่ยนี่รถทําให้แจ้งว่าไงแต่ว่ากําหนดตัวใดบรูเลย หลวงพอโบลูแต่ก่อนเมื่อมาทําอันนี้เดี๋ทุกกาหนดรู้เพราะว่าอันนี้เป็นรูปเป็นทุกอยู่แล้วเป็นความถุกพอดีทํำยังรู้อยู่อย่างนี้แดี๋วพอดีคิดปุ๊บรู้ความคิดก็รู้แต่ให้มายุ่กับผวมคิดให้มายุ่กับตัวรู้อันนี้พอดีคิดให้นมารู้อันนี้พอดีมันคิดปุ๊บมันก็รู้ส่วนหนงก็ให้มายุ่กับตัวนี้ยอดทุกต้องกําหนดรู้เนาะกำหนดอยู่กับตัวนี้สมุทัยต้องละตัวควมคิดมันจะวางมันเองมันวางมันเอง อันนี้เป็นแมวตัวนิ่ยพอสมควรแล้วบัดเนี้ยหนูมาแมวมาจับปุ๊บยั่งแรงทันทีเลยอมืมันพอจิตหนูแล้วบัดเนี้ยแมวมันไม่เคยกลัวหนูเลยตัวความรู้ความเข้าใจเดียกับมันไม่เคยกลัวโกมหลงเลยมันไม่เคยกลัวโมหะเลยคนเรานะี้ยในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่ามีโมหะกันวะภาษาบ้านเขาเรียกว่าลงตนลืมตัวกันลงกายลืมใจกัน มือนตาเขาเนี่ยไปมองเห็นในผู้อื่นทั้งหมดขันหลับตาเยอะมันจริงว่ามาพิจารณาตัวเองก็าจะว่าให้ไปนั่งหลับตาจนอันนั้นถูกน้อยโบถูกแน่นอนคืออันนี้เพราะมันมองผัวเห็นมันฝืนธรรมชาติมันอย่างนี้ตามันยักมือนกับโให้มันมืนมันอยากเลือด้ายแลงขักควคาโบให้มันเฮ็ดเพราะหลับไปอย่างซีนี้อันนี้ก็แปลว่าฝืนธรรมชาติมันโบได้ศึกษากับธรรมชาติมาจริงๆวันนี้เรามือนตาเสีย ทางบ้านเด็กเขาเลียกมืนตาคงนี้อาจจะว่าลืมตานะคาว่าลืมตาที่กะจะว่าลืมแล้วบบเนี้มองไปคนอื่นแล้วลืมตามืนตามือมองไปคนอื่นลืมตัวแล้วไม่ได้มองตัวเองเลยเป็นอย่างไงจีวะไม่รู้จักของจริงแท้เหมืนอนกันตอนนี้แมวตัวใหี่แล้วหนูมันออกมาจับปุ๊บหนูมันตายตทันทีเลยมันขโมยตายตทันทีแล้วมันก็จับจับหนูนะจับเลี้นคุบปุ่นคุ้พี่ลุ้นไปบ่ ไ, ได้เพราะว่าหนูจิวิ่งแมวมันจับ หนูจีวิง่งหนีเมีมันจับอย่างนีงเรื่อยๆมันเมียมันไวอันโต้ขวมลูกขวมเห็นผมเข้าใจเขาไวเหมือนกันจึงว่าเขาทีแรกต้องรู้จักผมคิดตัวของผมเนี่ยตัวของหลวงพ่อเนี่ยรู้จักมันคิดต่อรู้จักคิดว่าอยากปลูกบ้านแปลงเหวนอยากได้เสือ้ออยากได้ผ้าอยากได้เงินอยากได้ให้อยากได้นาะให้ว่าอยากได้อันใดมันคิดเต็เรื่องอยากได้ทั้งนั้นคิดยั่วโมยุดบมเศ า, าเลยเพราะไม่รู้จักวิถีจังหว่าถูก ไม่รู้ทุกทุกต้องกําหนดรู้ต้องมากําหนดตัวนี้พอเดมนมาคิดผูดเ้เรียนรู้สึกอันนี้แล้วควมคิดมันหยุดเองสิว่าสมุทัยจ้องละตัวสมุทัยก็ตัวควมคิดนั่นเองมักต้องจเจริญว่าจะทำความรู้สึกอันนี้ให้มากนี่โลกทําให้แจ้งมาจิตทําให้แจ้งเข้าใจจริงๆอันเรื่องนี้รับรองได้บว่าผิดน้อยถูกมากในขณะนั้นเนี่ยหลวงพ่อพูดกับเคยพูดอย่างนี้แล้วมาวัดโมกก็ต้องพูดอย่างนี้เพราว่าแต่มาที่นี่ไปที่อื่นก็ต้องพูด พอพูดความจริงเนี่ยความอื้นมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ถนัดจังว่ายอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอาวัยวะจังนว่ะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษาความจริงคอนอื้นจัดจ่ายทำอันนี้ความจริงมันเป็นอังซีจังหวะว่าแต่ยังซีอยู่บนสายเกลือตายกระทั่งสร้างมันเรียว่าความจริงพอแล้วไปยังไง บัดนี้เมื่อเราทําอันนี้ลราจะรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าสัญญามันรู้ผมหมายสัญญาจํามาจากพ่อจากแม่สัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นมาในจวมหนึ่สัญญาเมื่อสัญญาสมบูรณ์แล้วงานวิปัสนาเกิดขึ้นวิปัสนาที่บอกเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก้าล่วงภาวะเดินคันว่ามันมันพร้อมกันไปนั่นแหละทางความรู้สึกกับทางงานทางปัญญามันจึงเกิดประควมกันแจงของหัเห็นมันจึงได้เวา้าดีละขำละขาไปทางนั้นที่สุ เมื่อมีสัญญาในลูขึ้นลูจักมันเป็นอย่างไดบุรุษจักเลยมันก็เลยเห็นรูเข้าใจสัมผัสแนบแน่บกับสิ่งเหล่านั้นเห็นวัตถุเห็นปรมัตดเห็นอากาศเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะเหล่านี้หลยแล้วก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นตังขานเห็นวิญญาเห็นโบเมนตาที่เห็นคือสัญญามันเห็นสัญญาที่ว่าเข้าไปสัมผัสแนบแนบอันนั้น จิวะวิพัสนาญาณจิวะเกิดขึ้นแต่ปัญญาการะปพราวารลูรู้สิ่งนี้ถ้ารู้ผิดอย่างนี้ไปก็ไม่เคยรู้อย่างที่พระพุทเจ้าสอนเอาไว้ธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันถ้ารู้คนะอันก็แลกกับไปด้วยกันไม่ได้ถ้ารู้นำการกอบเบาถูกต้องคล้องกันไปด้วยกันได้จิว่าการสอนคนนี้สอนด้วยความจริงใจไม่ได้สอนเพื่อลาภยศไม่ไสอนเพื่อสนเสริญเรื่องสนเสริญนินทานมันเป็นธรรมดา มันไม่ดีครับผวามสนับสรินมันไม่ได้ซัวเพรความนินทาความนินทากาเลนั้นมันอยู่กับโลกจึงว่ามันวูเห็นโลกน้ำท่วมหัวอยู่เมื่อแปลนคอขึอ้นมาได้เห็นโลกทันทีเลยถ้าจะพูดตามตัวหนังสือพระเอิญพระโสดาบันบุคคลรูล้จักทิศทางเดินไปหาจะสั่งได้ผลแตือ่บได้เดินไปได้ลอยไปได้พู่เนี่ยน้ำอย่างเพียงพอลุดยังบัตถุดินจะได้พูดตนเข้าไปน้าเพียงพอเนี่ย แต่พู้วจมปิ้งเห็นเราโบได้เห็นฟ้าเห็นวนะ่านั่นเขาเรียกว่าผูผทุศน์เหงื่าผูผทุศนเป็นผู้หนาแน่นอยู่ไม่รู้จักทิศทางเลยนสมมติว่าให้ฟังอันเดียคนที่โผล่ขึ้นมาแปลงคอที่มองเห็นทิศทางวัดตะฟังอยู่เมื่อกลรอยไปเลยแต่บ่ถึงดิกระจำ้าคนที่โจรจูนลงไปเนี่ยหน้าเพียงคอเนี่ยก็บแปลว่าแสดงมันต้องน้านมาต้องดิหัวแล้วบนนี้รู้จักเลยอไปนี่แท้ๆมันตั้งยางโบได้ลอยไปคือกัน พูดหน้าเพียงเอลในแทะ ย, ยางได้ขัท่านาาาน้ำบ่อะไรทานน้ำไหลไปจั่งบ่ได้อีกซึ่นี่เป็นอย่างไรหมายถึงว่าอารมณ์มาแรงแๆมจนจังบ่ได้ความมีทาการเลคความสนเสริญมันจั่งบ่ได้มันจีไปต้องรอยอยู่เช่นนึงพูดซูมลงไปเนี่เพียงกลางแค่เน่นน้ำไหลไนแต่ก็บวันไหวนี่ไม่ใช่ว่าะนาคาว่าเทเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่จิไปยังสิเป็นความเปรียบเทียบให้ฝั่ง คนตูมลงไปน้ำพอเพียงดังตีนนี่ยกก็สบายแล้วเวทขอาไอเหตุเรียเดินขึ้นไปตฟับบงทันทีเลยแต่นั่งอยู่พ้มปักเดื้อคุณล่ะผมไม่อยา ก, ก็ทําสร้างแล้วบนห้ อ, อย่าเย็นบนนั่งเราเบิ่งน้ำไหลไปคุณอันนี้แสดงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างที่ที่คมรู้ตัวเองอ น, นี่แต่คนอื่นกิรู้อย่างอื่นใทรบุหุจักอย่าฟอบุหุจักนํางเพิ่มอันนี้รับรองได้ รับรองได้จริงๆต้องเป็นคนพูดก็จริงทําก็จริงและปฏิบัติก็จริงเนี่ยเข้าใจไหมดังนั้นคนเราอยู่ที่นี่อจิตใจมันมันเป็นปกติอยู่แล้วเขาไม่ดได้เคยมาเห็นปกติอันนี้จะเถอะความปกติอันนี้แหละพระพุทธสอนแต่ว่าปกติอันนี้อย่างบุญถันแมนเธอเดะมันเป็นเรื่องสมมติมันยับถถงบันทึกอารมณ์ได้เนี่ยน้ำเปลียงแอวอยนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อน้ำยังแห่แหมาเมื่อกี้ลอยในซิสตได้เนี่ย ปกติอันนี้เมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่มันสบายใจโบมีทุกโบมีสุขโบมีความสับสนวุ่นวายโบเดือดร้อนนี่ยเป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจฟังอย่างพอว่าอยู่อันนี้เป็นสมบัติของมนุษย์เยาว่า น, นี้ผ่านทีมร้องเป็นว า, าน่างรับยานั้นการปฏิบัติจึงเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้โบมีลักษณะดีใจโบมีลักษณะใจดีโบม่นอย่างทั้งบัด พจีว่าตามภาษาธรรมะพ้องการเรียกว่าอุเบกขาหรือสันติหรือความสงบพจีว่าจะแบกวราแล้ววางเสยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสถยังจซื้อได้จิตใจมันเป็นมิติเปิดอุเบกขาสันติว่าเปิดอุ่นขมสงบเปิดวางกันมันก็สงบอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมันมีอารมณ์มาแล้วมันก็จะเอาขึ้นได้ z o มตามขึ้นมาได้เนี่ย ลักษณะนี้บุษราเมนลักษณะที่ว่าจิตพ้นแล้วจากสภาพอะไรพุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แหละเราเข้าใจธรรมะเพียงนำมาเล่าให้ฟังมือนี่ต้องฟังจริงจจังๆถ้าฟังโบ้จริงแล้วมันจะจับต้นจนปลายบทุกเนื่อไป็นอย่างนั้นเอาบัานนี้ก็รัดไปให้มันพอที่จะสรุปเนื้อขวมได้ไง่ายๆหลวงพ่อเคยทำให้มู่เบิงเอาเสื้อมามัด สนนันส้นนีระตตรงกลางพับเสือ้อมาที่สเส้นแขนขาไปถึงหลักดึงเข้ามามาที่บุตรกันลักษณะนี้คุณบอาจิตหุดคนแล้วจากสภาพอะไรปรุงแต่งมัาได้อีกหรอกมันมันขาดลักษณะทุกคนเนี่ยต้องแน่ที่สุดตายแท้ๆเกิดมาผู้นึ่งก็กตายผู้นึงเกิดมาสองคนก็นตายสองคนเกิดมาร้อยคนตายร้อยคนเกิดมาพันคนตายพันคนเกิดมาแสนคนตายแสนคนบ่เฉพาะแต่คนไทย บ่เฉพาะแต่พูดถึงศาสนาผู้ถือศาสนาใดก็ตายทั้งหมดที่ด่งพอไว้ฟังฝรั่งเาไม่ได้กามาถามน่นบ้านเมืองเขาเจ้าเจริญมีรถมีลามีเครื่องบินแล้วก็เทถนนใต้พื้นดินกม็มีเนี่ยข้าเจ้าเหตุปลูกบ้านทั้งหลายซันเนี่ยให้ว่าวิทยุเขาเว้าอยู่เพื่อข้าเจ้าก็รับได้เนี่เป็นอย่างไรให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ความเจริญของข้าเจ้าน่ะดีก็เฮาไลยเทาเรื่องวัตถุแต่จิตใจนั้นอาจจะทุกข์ก็เฮาก็ได้แล้วข้าเจ้าก็ตายคือก like and so so, ันเวนโบได้ผลตายทางข้าเจ้าว่าตายโบจะตายคือกันแต่เฮาโบคนมีความเจริญบันเน็กรตายคือกันคนมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ตายคนมีเงินจากร้อยจากรพันจากรมื่นก็ตายเป็นเมื่อมีเงินกระตายเป็นคนเฮียนหนังสือจบไปอ่าฟ้า ปเปลี่ยนเขาประโยคกระต่ายเป็นเรียนทางโลกจบปริญญาเอกกรตายเป็นผู้เขียนหนังสือวุฒิเคย อ, คอย่งยงยงยางเดอยกระตายเป็นเท่ากันควงำใต้เที่ยวบยกเว้นไผ่ทั้งหมดเพรางยังว่เรามาเนี่ยเราจี้ดำมืดไปเลยที่จุดใสไปเพป็นวายังสัตวเพิ่นยังว่าไว้อีกคือว่าภาษาธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารยา์เราให้สอนถ้าจิตใจผู้ใดยังบุญหลุดพล จิตใจคนที่มีกิเลสตายแล้วก็ต้องมาเกิดเติมพลวังไปจิตใจคนหมดกิเลสแล้วตายแล้วบบมาเกิดเติมหมดตะพลวังหือว่าจิตใจพระพิจาเจ้ารู้จักระติดถ้าโบรู้จักอย่าไว้ใจอย่าเป็นนอนใจต้องศึกษาตามแบบพระพิจารณ์สอนเอาไว้นั้นเมื่อเสื้อกบวขาดแล้วครัสแสดงว่าเราจะวนอยู่ในวัฏฏะคือวงกลมนี้เองแม้จะรู้วิปัสนาก็รู้ได้สั ก, กแต่ว่าเมื่อมันบวขาดเมื่อใดไปอย่าไปน้อยจนใจอย่าไปไวัยใจ ไว้ใจบโบได้เพราะมันจะมูดมาอีกซื่งเพื่อจะว่าเราจะใก้ไฟไปหรือหรือจะดำมืดไปเราจะตนน้ําเพียมหัวเหล่านี้รึอหรือว่าเราจะตนให้พอเพียงอึกเพียงแอลหรือเราจะตนลงไปให้พอเพียงแข้งเพียงขาดน้ําพอท่มหนังตีนเขาขี้ไปนี่ขี้ไปพอปันได์มักจะเนี่ยเลือกเอาจำสั้นเพราะว่าผู้อื่นจะมาตัดยืนให้เขาโบได้ อันนี้แดดในประเทศอินเดียเพราะว่ามีลอยแปดศาสน า, 108 า, า108ลอยแปดพระจันทรลอยแปดนาทีโบมแมงกี้เสื้อพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยโบมแมงแทฉะลองพิจารณาเบื้องฐานเขาอยู่นี่ก็หลายคนนับจํานวนว่าพระเพื่อใดก่อนห้าสิบก็รูปสิพระโยมหกสิบก็องค์ท่านบอเมื่อกี้หกสิบกคนลอยก็คนเนีเป็นอาาย่างแล้วจีกอมเห็นแท้เขานี่บุก ค, คือกันเดี๋ยวนี้นี่ก็คือกันแต่บางคนจิคิดไปจไังใดเนาะเพื่อ บางคนก็รู้จักทิศทางแล้วน้ําต่อเพียงพอได้บางคนบางคนกับหน้าเพียงแอลนี้บางคนกับเพียงกลางขาบางคนกับเพียงหัวเข่าบางคนกับขึ้นบนบกแล้วก็มีบางคนที่เป็นนั่งอยู่บนหลักเดือแล้วเบิ้งหมู่ย่าไปก็มีมันชีเป็นอะไรกันเลยจึงว่าคนตายจึบบยกเวณเราจิตใต้ไฟหรือจิตดำมืดไปความมืดมาอยู่ที่ใจเหล่านี้เองเพราะเราไม่มีความสว่างถ้าจะพูดตามภาษาที่ตัวหนังสือวานกล่าวพระโสดาบัน ภาพสกีทาคาผ้านาคามีคันผ้านาคามีในพ่นวจิมูดมาเกิดเตือเพืนหนึ่งว่าแต่คันผ้าอรหันต์ในเทปบอมมาเกิดอะไรเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องวัดว่าเราจีบบมเกิดได้มีงานอันใดท้า พ, พระเจ้าเพิ่งสอดไว้แล้วถึงที่สุดแล้วญานย่อมมีมันหมดแล้วก็มีแล้วอันนั้นเราบอกเราโบมีผูดด้ใดมาบอกว่านะอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมะจีบมือนี่ก็ถือโอกาสมาแล้วก็ต้องวาโลทันทีเพราะว่า ท่นตายเมื่อคํานคิวบันทันได้วา่าทำตออมาก็ต้องว่าเลยบอว่าบอได้ความจริงมันต้องว่าเพราะบอว่าเนี่ยแบบแสดงว่าตัวเองย่อท่ออ่อนแอต่อความจริงไม่เป็นผู้ที่ว่าเสียสระชีวิตเพราะหลักฐาความจริงตายกระทําสร้างา่ะได้พูดความจริงต่อเพื่อนทิพย์สุธรมเนรและญาติโยมผู้ที่มีปัญญาจับไปปฏิบัติเขาได้ ที่มันรูดธรรมะเหมือนกับคิปตาเดียวเท่า น, นั้นเองโบเป็นของงาถ้าหากเข้าใจจริงๆนะถ้าโบาเข้าใจแล้เป็นของงาจึงว่าโบรู้จักทิศทางนีมมันก็น่าที่คนนั่นโดนน้ำลงไปน้ำส้มหัวแล้วก็จากที่ดาไปใส่หัวบบหัวจักแล้วดําน้ำไปได้พวกนั้นโได้ลอยได้พวกนั้คนดํา น, น้ำไม่บบหัวจักทิศทางคนลอยไม่หัวจักมองเบื้องซีหัวจักตะฟังคนดํำน้านม่บบหัวจักตะฟังวันนี้คนย่างไปเพียงแอร์รียมองเห็น ชัดตับฟังอยู่พอปัณนณน์ปันณีคนเพียงหัวเข้ากลางขาได้ยิ่งจะชัดเนี่คนเดินลงไปเนี่ยน้ํำพอเทียงอหลังน้ํำพอเพียงหลังตีนทุนหลังตีนใว่าหมถ้ไปบ้านหนวงพอ่อเลวตีนทางที่อาจจะว่าเทาก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนภาษาเมืองเลยงใกล้กับเมืองลาวบมไม่ไอยู่เมืองเลยสําเ น, น๊ยอยู่อำเภอเสียงขานโพนบ้านบุพหมพุนติดกับแม่น้ำโขงติดกับเมืองลาวจีว่า พูดภาษาคันทะพูดให้แถวฟังได้เขรู้แต่คนไทยกขารู้แต่ว่าคันเม่นไทยภาคกลางไทยกรุงเทพไทยภาคใต้พวกฟังบลูเพราะหลวงพ่อเคยพูดเรียกพูดภาษาเมืองเลยอย่างหลวงพ่อพูดนี่ฟังบลูดแต่ว่ามีมีทางพูดภาษาต่างบ้างเล็กน้อยแล้วก็พูดภาษาตัวเองแดดเพราะว่าตัวเองมันบ่เคยได้พูมสําคัญมันจาเป็นต้องพูดภาษาเองเพราะว่าคนฟรั่งจีนมองเห็นภาษาเขาต่างๆ ถ้าหากต้องการจริงๆต้องเรียนภาษาไทยจียงจะสอนได้ภาษาพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องรู้สิภาษาเ ข, ขาเขาจะเปรูกภาษาพระเจ้ายัางได้ภาษาธรรมะคนอินเดียพูดต้องพูดภาษาแท้ภาษาอินเดียเพราะพระเจ้าเป็นคนแท้เป็นคนอินเดียคนไทยก้อนที่แปลภาษาแค่แปลภาษาอินเดียได้น่าก็ต้องเรียนมาแปลมาบางทีแปลมากพลาดก็ได้จชื่ว่าให้เขาเข้าใจหลักพุทธศาสนา คำสอนของท่านพุลุสอนไว้แล้วนางสือกะลามาสูตรบอกไว้ดีแล้วอย่าเสือแล้วกระยาปฏิเสธคันท้าโบเสือปฏิเสธไปเลยกับแสดงว่าสุดโต่งก็ได้ว่าสุดเรื่องก็ได้เสือเลยเบเนีก็สุดโต่งก็ได้สุดเรื่องก็ได้เพราะว่ามันได้พิจารณาไม่ได้พิสูจน์ไ่ได้เอาตัวเข้าไปวัดอะไรเลยอันนี้แสดงว่าสองอย่างเนี่ยได้ผลน้อยอาจจะไม่ได้ผลเก็ได้แต่เพียงว่า ให้ฐานรักษาสิ่งกับทำผมสงบเท่านั้นเองถ้าเราก็วัดตัวเราทำผอมรู้สึกการเคลื่อนไหวได้รู้สึกจิตใจนึกคิดรู้สึกให้มีความรู้สึกอันนี้ไปเรืเ่อยๆไปเลยมันจะคอยเปลี่ยนแปลงไปเองตอนที่จิตใจจะเปลี่ยนแต่ระดับระดับเนี่ยเหมือนกับเราจับของทิ้งลงเบาเข้าไปทิ้งออกไปเบาเข้าไปทิ้งออกไปเบาของหมดมือเราแล้วก็แสดงว่าเราไม่มีอะไร ว่ได้มีพันธะไดแล้วก็เดินไปได้มาได้ยื้ใสก็ได้เป็นวันสั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเพิ่นว้าเป็นภาษาบาลีหยวง้อเป็นคนเป็นคนไทยให้ว่าจะแแต่พูดภาษากลางกรับ่เป็นแต่ว่าวภาษานี้ยแค่ว้าเป็ตแต่ว่าพูดได้น้อยๆอย่างภาษากลางเนี่ยที่ได้นําธรรมะมรรเลาให้เพื่อนทิศตุสมณีและญาติโยมผู้สนใจทำการปฏิบัติธรรมนั้นย่าไปไว้ใหญ่ คนนั่นคนนี้ให้เอาตัวของเราเองมาวัดว่าพลิกมือขึ้นก็ให้รู้สึกตัวพ่วมมือลงก็ให้รู้สึกตัวเดินไปเดินมาให้รู้สึกให้มันรู้สึกเบาๆอย่าแปรเปแข้งใส่จริงๆนะมันหนัก อ, อกหนักใจเจ็บหัวมึนหัวแล้วก็มึนแทงมึนขาอย่าธรมาร์ทปวดแข้งปวดขาต้องลุกต้องยางต้องนั่งต้องเดินอันนี้เราตามภาษาหลวงพ่อ ถ้าเพื่อแค่เพื่อขาดยังนั่งอยู่เป็นการทรมานตัวเองอดเข้าอดน้ำก็เป็นการทรมานตัวเองเป็นว่าเบียดเบียนตัวเองการเบียดเบียนตัวเองเนี M M M ่ยมันสําคัญที่สุดเขาบูฮุจิหลายอย่างคิดโมดีกับเบียดเบียนตัวเขาคิดไปติดอันนั้นอันนี้ก็เบียดเบียนตัวเขาเหมือนกับนกขังไว้ในตู้เนี่ยมันอยากออกเอาหัวไป้อดฟองนั้นออดฟองนี้มันออกบ่ได้เพราะมันออกบ่มด้ประตูมัน อันเฮาติดเนี่ยเฮาคิดเนี่ยคิดดีใจเสียใจเนี่ยมันก็เม่นถังออกได้ยังว่าเฮ็ดซื้อซื้อทิดมูอซื้อซื้อนี่แหละยกขึ้นอาะีรู้สึกเอามากระีรู้เฮ็ดให้มันรู้ซื้อซื้อรู้แล้มันจะเป็นยังไงกระสีไล่ขวบูรูดันนีไปซื้อซื้อมันจะไล่วบูฮู้จักดันนีไปซื้อซื้อวดบูฮู้จักหนึ่งรู้กัแมนฮู้จักกัแมนมันจะไปไล่ขวบูรูขวบูฮู้จักดันนีเขาหักโบเห็นจังว่า ที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าสมควรแล้วนีถ้าหากว่าเว้าไปก็ต้องมันเหี่วจะจับต้นส่วนปลายโบได้ท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ัสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้า และคุณของพระอรหันตาสาวกพระธรรมาสมเด็จเจ้ามาเตือนจิตสักิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้ใจเห็นจัดเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระพุทธเจ้าให้รู้ตามเห็นตามอย่างพระพุทธเจ้าในชีวิตนี้จงทุกๆคนเถิด